ในโอตรณาหาระสัมปาตะโอตรณาหาระก็คือการสงเคราะห์ธรรมโดยขันอาญัตนะธาตุสัจจะอินทรีเป็นต้นเนี่ยนะโอตรณาหาระสัมปาตะนั้นอย่างพุทธพจน์ในคถาที่กล่าวไปแล้วคือเพราะฉะนั้นภิกษุพึงเป็นผู้รักษาจิตครอบงมถีนามิทา มีความดําริชอบเป็นโคจรกระทําสัมมาทิฏฐิไว้เป็นเบื้องหน้ารู้ความเกิดและความเสื่อมไปแล้วพึงละทุกคติทั้งปวงเนี่ยน ะ, ะพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่าเพราะฉะนั้นพึงเป็นผู้รักษาจิตเป็นผู้มีความดําริชอบเป็นโคจรเป็นผู้กระทําสัมมาทิฏฐิไว้เป็นเบื้องหน้าตรงนี้ตอนท้ายยกอะไรยกสัมมาทิฏฐิขึ้นมาถ้ากล่าวสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคืออะไรก็คือปัญญีย ถ้ากล่าวปัญญิสีสีอินรีที่เหลือก็เป็นอันกล่าวแล้วสมมาทิฏฐิปัญญาก็คือปัญญีสีเพราะนั้นปัญญีสีเมื่อกล่าวปัญญาอันดับสุดท้ายสมาธินรีสตินรีวิริยนินรีสัพทินรีก็ชื่อว่ากล่าวแล้วก็เหมือนกับว่าคนที่นับอะไรนับ1ถึงห้านะถ้านับพูด5แสดงว่า4 3 2สาสหนึ่งเนี่ยนับเรียบร้อยแล้วจึงกล่าวว่าห้านะ มีเท่าไรมีห้าก็แสดงว่าหนึ่งสองสามสี่นับมาเรียบร้อยแล้วมันทะยกสัำ ม, มาที่เิีขึ้นมาอันเดียวอินรีที่เหลือก็ชื่อว่าเป็นอันกล่าวแล้วอินรีเหล่านั้นนั่นแหละเป็นวิ ช, ชาเป็นความรู้เป็นวิ ช, ชาเป็นความรู้ถ้าความรู้เกิดขึ้นความดับอวิ ช, ชาก็ย่อมมีไดไ้เพราะความเกิดขึ้นแห่งวิ ช, ชาเหมือนอย่างว่าถ้าความสว่างเกิดขึ้น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 ชรามรณะโสกะปริเทวทุกโทมนัสและอุปายาตก็ดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลก็มีด้วยประการอย่างนี้อันนี้เป็นการยังลงสู่ปฏิจจสมุปบาทก็เรียกว่าปฏิจจสมุปปาโทตรณะเนี่ยนะการยังลงปฏิจจสมุปบาทนี่การยังลงขันเนี่ยนะขันนี่ก็แบ่งเป็นธรรมขันกับอุปาทานขันธรรมขันเป็นชื่อของ ศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทาาัศนนะเขาเรียกว่าธรรมขันธ์ถ้าอุปาทานขันธ์ห้าหมายถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณตรงนี้เน้นพิเศษคือธรรมขันธ์อินทรีห้าเหล่านั้นก็สงเคราะห์เป็นธรรมขันธ์สามคือศีลขันธ์สมาธิขันธ์และปัญญาขันธ์ศรัทธาเนี่ยเป็นศีลขันธ์วิริยะสติสมาธิเป็นสมาธิขันธ์ปัญญาก็เป็น ปัญญาขันปัญขันตัวนี้แปลว่ากองก็ต้องเยอะมากเนี่ยนะจึงจะสามารถทากิจสามารถละอวิชชาเป็นต้นได้อินทรีย์ทั้งห้าเหล่านั้นนั่นแหละนับเนื่องในสังขาร น, นะสังขารเหล่าใดไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารที่ไม่เป็นเหตุแห่งภพสังขารเหล่านี้สงเคราะห์เป็นธรรมธาตุนี้เป็นการยังลงโดยธาตุ สังขารธรรมเหล่านี้นะคือศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาก็คือสังขารขันสังขารขันหรือสังขารธรรมเหล่านี้เป็นสังขารพิเศษที่ได้รับการปรุงแต่งมาเป็นอย่างดีเป็นสังขารที่เป็นโลกุตระสังขารที่เป็นโลกุตระไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและไม่เป็นเหตุแห่งภพสังขารเหล่านั้นจึงเป็นธรรมธาตุเป็นธรรมธาตุ อันนี้เป็นการอย่างลงสู่ธาตุธรรมธาตุนั่นแหละเป็นธรรมายตนะธรรมธาตุอันใดธรมมายตนะก็อันนั้นอายตนะเหล่าใดไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะไม่เป็นอารมณ์ของกามาสวะภวาสวะทิฐาสวะอวิชชาสวะขณะเดียวกันอายตนะเหล่านี้ไม่เป็นเหตุแห่งพบนะไม่เป็นเหตุแห่งปฏิสนธิมันอายตนะนี้เป็นอายตนะที่เป็น อายตนะที่ดีคืออายตนะที่เป็นโล ก, กุตระนี้เป็นการอย่างลงสู่อายตนะก็อย่างที่กล่าวว่าคุณธรรมคุณธรรมของผู้ที่จะละทีนมิถะละทุกคติได้ทั้งหมดคุณธรรมอันนั้นจะต้องมีรักมีความเป็นผู้รักษาจิตรักษาจิตก็คืออะไรสตินีนัมฤตชอบเป็นโคโจรก็คือสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องหน้าก็คือสัมมาทิฏฐินะ ถ้าถ้ากล่าวไปอีกในหนึ่งนะรักษาจิตก็คือสัมมาสติมีความดํำริ์ชอบเป็นโคจรก็คือสัมมาสังกปะทำสัมมาทิฐิไว้เป็นเบื้องหน้าอันนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะสิ่งเหล่านี้ก็สามารถยังลงสู่ยังลงสูม่มรรคก็ได้เนี่ยเป็นผู้รักษาจิตหมายถึงสติก็เป็นการยังลงสู่สติปัฏฐาน ไอโอตรณะหาระเนี่ยท่านยกตัวอย่างเทียงอินรีปฏิจจขันธาตและอายตนะซึ่งความเป็นจริงแล้วท่านให้ยกอย่างกว้างขวางเป็นการยังลงทั้งสติประธานสัมมารประธานอิธิบาทอินรีพระพ่ชงอง์มัชต้องอยังลงโพที่ปักจยธรรมทั้งหมดให้ได้นั้นคำว่าสติก็สามารถที่จะยังลงสู่สติประธานยังลงสู่ สติพละสตินสีสติสัมโพชฌงและสัมมาสติถ้าสัมมาสังกปะก็สามารถอย่างลงสู่สัมมาสังกปะในองค์มัตส่วนสัมมาทิฏฐิก็เป็นอะไรอย่างลงสู่วิมังสิตทธิบาทอย่างลงสู่ปัญญีย์ปัญญาพละธรรมวิจยะสัมโพชฌงและ สัมาทิฏฐ์ทั้งหลายนั้นกุศลธรรมเหล่านี้คําสอนเหล่านี้สา ม, มารถที่จะยังลงสู่ขันธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทสติปัฏฐานสั ม, มารถประทานอิทิบาทอินทรีย์พระโพชฌงองค์มัตตสา ม, มารถที่จะยังลงได้หมดเลยการฝังธรรมแล้วสา ม, มารถยังลงสู่สิ่งเหล่านี้ได้เรียกว่า โอตรนณาหาราเนี่ยนะกำจัดความหลงความสงสยัยความเข้าใจผิดในพระพุทธพจน์เพราะฟังพุทธพจน์แล้วสามารถอย่างลงสู่อินทร์ปฏิจจขันายตนะธาตุสัจจะสามารถอย่างลงสู่โพธิปักขะธรรมได้อันนี้ก็ข้ามความหลงความสงสัยผิดในพระพุทธพจน์ในคำสอนได้ไม่ยากส่วนหาระต่อไปคือโสธนหาหระ ว, วิธีกําจัดความหลงความสงสัยความเข้าใจผิดในพุทธพจน์ด้วยการชำระชำระอะไระนะก็คือชําระปดฉาชําระวิสัชนาชําระบทที่ที่คําถามคําตอบลักษณะนั้นะนะท่านเป็นการชําระทั้งคําถามชําระคําตอบอะไรตอบเสร็จอะไรตอบไม่เสร็จฉะนั้นการชําระก็คือการตรวจสอบตรวจสอบอะนะเรียบความเรียบร้อย ความเรียบร้อยว่าทั้งหมดเหล่านี้เรียบร้อยดีไหมเป็นต้นก็คือการมาตรวจชำระเนี่ยนะหรืออาจจะเรียกว่าตรวจเช็คก็ได้เนี่ยนะเช็คสภาพว่าครบถ้วนสมบูรณ์ครบถ้วนใจความหรือไม่นเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ถามผู้ตอบตอบตามที่ผู้ถามถามทั้งหมดใช่ไหมคำถามแบบนี้เนี่ยเป็นคำถามแบบไหนเป็นต้นเนี่ยก็คือสามารถที่จะแยกแยกวิจัยในคาถามคาตอบ ว่าตอบเสร็จหรื อ, อยังตอบพอไหมตอบแบบครบถ้วนสมบูรณ์ความหรือเปล่าเป็นต้นการสา ม, มารถชำระอย่างนี้แหละเรียกว่าโสธน ะ, ะโสธนะหาระกำจัดความหลงความสงสัยความเข้าใจผิดในพุทธพจน์ด้วยการชำระคำถามและคำตอบตอบเสร็จหรื อ, อยังเป็นต้นส่วนหาระต่อไปอธิฐานะหาระสัมปตะอธิฐานะหาระนั้นหมายถึงการตั้งไว ตั้งแบบไหนตั้งโดยสามัญแล้วก็ตั้งโดยพิเศษอันนั้นพูดแบบธรรมดาแบบพูดคํากว้างหรือพูดแบบคําขยายสามัญก็คือคํากว้างๆหรือได้รับการขยายแล้ว น, นีเหมือนกับว่ายกส้มมาให้เนี่ยเป็นส้มแกะเปลือกเสร็จแล้วเหลือแต่เปลีบหรือว่าเอามาส้มมาทั้งลูกอย่างเงี้ยนะหรืออีกนายหนึ่งเขาเรียกว่ายกฟักทองมาให้ยกมาทั้งหมดหรือว่ามาผ่าเสียผ่าซอยเรียบร้อยแล้ว เรียกว่าให้เป็นทั้งรุ่นหรือว่าให้แบบผ่ามาแล้วไหมเขาว่าอย่ามาให้เค้กมาก้อนเริ่มเลยนะ่ะนะให้เค้กแบบซอยมาแล้วหรือว่าให้เค้กมาทั้งก้อนไอ้สามมันก็คือมาให้มาทั้งก้อนไอ้พิเศษก็คือหมายคขาว่าได้รับการแบ่งเรียบร้อยมาเบ็ดเสร็จแล้วก็คือการสามารถรู้โดยแบ่งแบ่งอะไรหมายเขาว่าทั้งกลุ่มหรือแบ่งโดยพิเศษแล้วเรียกว่าอธิฐานอหาระ เรีว่าตั้งไว้ น, นะฮะอธิฐานนี่โดยสัพแล้วว่าการตั้งไ ว, ตงไวบบไ้ตั้งไว้แบบไหนตั้งไว้ทั้งกลุ่มหรือว่าตั้งไว้แบบแบ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นพึงเป็นผู้รักษาจิตมีสัมมาสังคัปปะเป็นโครจรเนี่ยนะหรือว่าโครจรไปด้วยอํานาจสัมมาสังคัปปะหรือความดําริดชอบเป็นโครจรหมายถึงอะไรคําผู้นี้คําว่าเพราะฉะนั้นพึงเป็นผู้รักษาจิตอันนี้ไม่ได้ขยายอะไรเลยอันนี้เป็นคํา เอกะต์หมายคาอว่าเป็นเนื้อความเป็นอันเดียวกันคําพูดที่ไม่ได้รับการแจกแจงอะไรแต่ถ้าบอกว่าจิตมนะวิญญาณอันนี้เป็นความแตกต่างนะได้รับการแบ่งขยายให้ให้รู้ถึงความแตกต่างนั่นะนะหมายคาอว่าได้รับการกระจายแล้วไม่ใช่เอามาให้ทั้งกลุ่มเลยนะสัมมาสังกัปปะโคโจโรคําพูดนี้ก็เป็นคําพูดที่ยังเป็นกลุ่มอยู่เป็นคําพูดที่ยังเอกะตะนะ ยังเป็นอันเดียวกันอยู่ยังไม่ได้แตกแตกแต่ถ้ามาแจกเป็นสัมมาอขอเนคขมมะสังกปะอพยาปาท่าสังกปะอวิหิงสาสังกปะอันนี้ก็แสดงว่าแสดงความแตกต่างแสดงความหลากหลายนะนี่พันไอคำว่าเวความแตกต่างก็คือความหลากหลายนั่นเองส่วนสัมมาทิฏฐิปุเรขาโรทาสัมมาทิฏฐิไว้เป็นเบื้องหน้าอันนี้ก็เป็นคาพูดที่ เป็นอันเดียวกันอยู่ถือว่าเป็นคำพูดแบบกลุ่มอยู่เลยนะแต่ถ้ามากระจายกระจายมาจำแนกมาขยายว่ายานในทุกขสัจจะยานในทุกขสมุทะยสัจจะยานในทุกขนิโรสัจจะยานในทุกขนิโรทค า, ามินีปฏิปทาสัจจะหรือว่ายานในมัคสัจจะยานในเหตุยานในผลที่เกิดจากเหตุยานในปัจจัยยาที่ ญาณในปัจจยุปบรรที่เกิดจากปัจจั ย, ยะถาภูตยานทัศนการตรัสรู้การแทงตลอดการเข้าถึงอารมณ์โดยแท้จริงอย่างนี้ทั้งหมดก็เป็นการกล่าวถึงสัมมาทิฏฐิโดยความแตกต่างกันไปแต่ถ้าพูดแบบกว้า ง, ก, า ง, ก, างก็สัมมาทิฏฐิปัญญาปัญญามีปัญญ า, านะปัญญามันเป็นยังไงมันรู้อะไรบ้างบางคนก็บอกว่าสมัยใหม่ก็ใช้คําว่า เอ้าวทำอะไรก็ต้องมีสติมีสัมปชัญญะสิทําอะไรก็ให้มีสติสัมปชัญญะไอพูดไม่ยากมีสติสัมปชัญญะแต่คําพูดอันนี้มันยังเป็นเอกตะอยู่เลยมันยังเอาไปใช้อะไรค่อนข้างยากถ้าไม่เป็นพหูสูตรเป็นผู้มีสติปัญญามากจริงๆมันทำไม่ได้หรอกไม่เข้าใจหรอกว่าเออให้มีสติมีสัมปชัญญะมันไม่มียังไงมีสติทาอะไรให้มีสติหน่อยสิมันมียังไงมีสตินะ พันคำว่าสติคืออะไรก็สติเช่นสติที่เป็นไปกับสติปฐานสี่สติที่ระลึกได้ในความเป็นกุศลอกุศลเป็นต้นถ้าสัมปชัญญะล่ะก็สัมปชัญญะสี่สาธากสัมปชัญญะโคจรัสัมปชัญญะสับปายาสัมปชัญญะและอะสัมโมหสัมปชัญญะเออถ้าได้รับการจำแนกมาอย่างนี้แล้วก็ยังชั่วยหน่อยพอจะเข้าใจได้ยังบอกว่าเจริญสติปฐานสติปฐา น, านอ้าวก็คำนี้ก็ยัง กว้างอยู่แต่มาแยกเป็นกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานก็ต้องมีการเอามาแจกแม้กระทั่งคำว่าปัญญาเจริญปัญญาเจริญสัมมาทิฏฐิซี่ต้องมีสัมมาทิฏฐิไอสัมมาทิฏฐิมันรู้อะไรก็เนี่ยญาณในทุก ญาณที่รู้ทุกขสัจจะเนี่ยนะญาณที่รู้สมุทยัยสัจจะญาณที่รู้ทุกขนิโรสัรจจะญาณในทุกขนิโรธ า, ามินีปฏิปทาหรือว่าญาณในมัคคสัจจะญาณที่รู้เหตุญาณที่รู้ผลที่เกิดจากเหตุญาณที่รู้ปัจจัยญาณที่รู้ผลที่เกิดจากปัจจัยหรือการรู้เห็นตามความเป็นจริงอ น, นเห็นนามรูปเห็น สังขารทั้งหลายพร้อมทั้งตัดใ จ, จตามความเป็นจริงเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตารู้ความเกิดรู้ความดับของสังขารตลอดจนถึงการตรัสรู้การแทงตลอดอ น, นะการแทงตลอดทั้งโดยปริญญาโดยปหานะโดยสัจจิกิริยาหรือโดยภาวนาเป็นต้นทันการที่เอามาแจกขยายอย่างนี้ เ, เรียกว่าแสดงความแตกต่างการแสดงความหลากหลายแสดงความกว้างขวางของปัญญา ทีนี้คําว่ารู้ความเกิดขึ้นและความเสื่อมคํานี้ก็เป็นคํำที่แบบเกิดดับเกิดดับเนี่ยนะสมัยใหม่ก็มายอ่อจริงพุทธพจน์ก็คืออุทย พ, พยังอุทยะก็คือความเกิดพยังก็คือความเสื่อมยัตะวานะก็คือรู้แล้วซึ่งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไอ้เกิดอะไรเกิดอะไรเสื่อมยอ่อมาเหลือเกิดดับอะไรเกิดอะไรดับอะไรเกิดเพราะอะไรทําไมมันจึงเกิดได้แ ล, ละทีดะ่ดับทําไมจึงดับเหตุปัจจัยอะไรทําให้ดับเป็นต้น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 เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโศกปริเทวะทุก โ, โทมนัสและอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อุทยะกับสมุทยะเนี่ยโดยความหมายไม่มีความต่างกันเลยเพียงแต่เพิ่มสังอุปสรรคเข้ามาแค่นั้นเองนะเอ่อเพิ่มสังสังที่เรียกว่าอุป <uğ> สรรคเพิ่มเข้ามา อุทยะกับสมุทัยมันอันเดียวกันมันรู้คําว่าเกิดก็คือรู้เหตุเกิดรู้ความเป็นไปมันใช้คําว่าเกิดศัพท์เดียวอุทยะอุไทยเนี่ยนะความเกิดขึ้นศัพท์เดียวนี้อมปฏิจจสมุบาทอนุโลมทั้งหมดไว้เล ย, นนะนยเนี่ยนะส่วนคําว่าพยะวยาเนี่ยนะพยะหรือวยะความเสื่อมเสื่อมอะไรคือความเสื่อมหรือหมายถึงความดับไอความเสื่อมนี่เป็นยังไง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 ชรามรณะโสกัปริเทวทุกโทมานัสอุปาญาต์ก็ดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลก็มีด้วยอาการอย่างนี้เพราะนั้นคำว่าเกิดหมายถึงปฏิจจสมุบาทสมุทยวาระทั้งหมดคำว่าเสื่อมหรือคาว่าดับก็หมายถึงปฏิจจสมุบาทอนุโลมวาระทั้งหมดเลยอันนี้เป็นการอมากระจายเพราะนั้นคำย่อๆคือคำว่าเกิดดับรู้ความเกิดรู้ความดับ เห็นความเกิดเห็นความดับหมายคำว่าเห็นความเกิดของปฏิจจสมุปบาททั้งหมดความดับหมายถึงเห็นการดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนั่นเองเรียกว่ารู้ความเกิดและความดับส่วนคําว่าธิณมิทาภิภูภิกขุภิกษุ พ, พึงเป็นผู้ครอบงําธินมิทา อันนี้ก็เป็นคำที่ยังเรียกว่ากว้างๆครอบงมทีนาะมิทะทีนะคืออะไรความไม่สบายความไม่ควรแก่การงานแห่งจิตนี่เรียกว่าทีนะเรียกว่าป่วยทางความคิดนะนะไม่สบายก็คือพิการทางความคิดนะย่ำแย่ทางความคิดส่วนหรือไม่ควรแก่การงานทางความคิดเนี่ยนะแสดงว่าจิตแข็งกระด้างโน้มไปในเรื่องอะไรก็ไม่ไป เคยไม่อ่านถ้าใดบิดดกใจมันก็ไม่ยอมน้อนไปเจริญกรรมฐานใจมันก็ไม่ไปลักษณะนี้เรียกว่าทีนะมันเอากะเอาเรื่องละพวกนี้มันทะเลาะกับอะไรนะพวกนี้ยมันเป็นตัวไปทําลายไอ้กรรมญตามุทุตาและหูตาปาคุณยตาเนี่ยนะทามาว่าโอ้ยนอนดีกว่ากันไปมากลับไปกินบุญเก่าก็ได้นะทะําไงกินบุญเก่าก็นอ น, นไปไหนไม่รอดกลับบ้านอีกนะ ทันทีนะมิทธะเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นตัวที่บันทรเป็นตัวที่ทําให้สุขภาพจิตเสียหายหมดอ่ะนะส่วนมิทธะคืออะไรความหดหู่ความท้อถอยแห่งมูเจตสิกนะเวทนาก็ไม่ร่าเริองอ่ะนะบอกเวทนาก็แย่เจตนาก็บอกเอ้ยไปทําอะไรมากมายอ่ะนะมันแค่มันตัวไปลดลดลดลดลดลดไปปรับเสียอะไรนะเอาจิตเจตสิกเนี่ยหมดสภาพเลยอะ่ะทีนะมิทธะเนี่ยคล้ายๆว่าหมดเรี่ยวหมดแรงหมดพลัง ทีนามิทะเนี่ยนะจะต้องไปครอบงามครอบงมทีนมิทะความไม่สบายความไม่ควรแก่การงานแห่งจิตความหดหูท่ท้อแท้ท้อถ อ, อยของเจตสิกอันนี้แลเรียกว่าครอบงำทีนมิทะส่วนสัพพาทุคติโยชเฮพึงละทุคติทั้งปวงอันนี้คำพูดนี่บอกละทุคติให้หมดเลยทุคติแปลว่าที่ไปที่ไม่ดีอะไรบ้างอะ่ะถ้าเทียบเทวดาและมนุษย์เนี่ยนะนรกเปรตอสุรกายและเดรฉานชื่อว่าทุคติ นะเชื่อว่าไม่ดีเลยเนี่ยนะถ้าเทียบมนุษย์กับเทวดาอบายทุกขติวินิบาตนารกนี่ไม่ดีเลยการเกิดทุกการเกิดปฏิสนธิทุกแห่งถือว่าทุกขติถือว่าไปไม่ดีเลยเมื่อเทียบกับนิพพานเมื่อเทียบกับอสังขตะธรรมเมื่อเทียบกับนิพพานท่าที่สงบระงับดับกองทุกวัตตะทั้งหมดเชื่อว่าทุกขติหมดเนี่ยนะ อันนี้แหละเรียกว่าอธิฐานะหาระก็คือตั้งไว้โดยสามัญและโดยพิเศษเนี่ยนะหมายความว่าแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือมีการแบ่งแยกแตกซอยเข้าไปอันนี้แหละเรียกว่าอธิฐานะหาระตั้งไว้โดยสามัญและโดยพิเศษเรียกว่าโดยเอกตตะหรือว่าเวมตะตะเนี่ยนะส่วนปริขาระหาระปริขาระหาระก็คือปริคานบริคานเป็นชื่อของเหตุและ ปัจจัยการวิการกําจัดความหลงความสงสัยความเข้าใจผิดด้วยการพิจารณาเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายนะอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะฉะนั้นเพิงเป็นเพงเป็นผู้มีความดําริชอบเป็นโครจรมีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องหน้าเป็นตน้นคำพูดเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดให้เป็นอะไรเหตุของอะไรที่พระองค์แสดง บอกว่าเป็นเหตุของสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะพระธรรมมีสัมมาสังกปะคือสมถะสัมมาทิฏฐิปุเรขาโรธรรมสัมมาทิฏฐิไว้เป็นเบื้องหน้าอันนี้เป็นวิปัสสนาพระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้เจริญสมถะและวิปัสสนา น, น, นะเพราะว่าคำสอนเหล่านี้เป็นบริขารของสมถะและวิปัสสนานั่นเอง เราว่าฟังธรรมเนี่ยนะต้องฟังให้ออกว่านี้เป็นสมถะนี้เป็นวิปัสสนาเนี่ยนะคำพูดแม้กระทั่งการกล่าวทุกขสัจจะกล่าวสมุทัยสัจจะหรือกล่าวนิโรสัจจะก็ต้องชี้มาหาสมถะและวิปัสสนาจนได้เพราะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งเดียวกันแต่ว่าหลากหลายในการแสดงส่วนหาระสัมปาตะหาระสุดท้ายเรียก ว, ว่าสมาโรปณะ สมาโรปนะหาระสัมปาตะสมาโรปนะนั้นก็คือการยกพระสูตรขึ้นแสดงโดยหลัก4ีประการที่จริงก็ทบทวนสิ่งที่เคยเรียนมาแล้วนัว่นแหละคือโดยประทัด ฐ, ฐานโดยเววจนะโดยภาวนาและปหะนะโดยเหตุใกล้โดยคำที่ใช้แทนโดยการเจริญและโดย การละเนี่ยนะเรียกว่าสมาโรปณะการยกหลักธรรมสี่ประการขึ้นมาจริงๆก็เป็นการสรุปหลายๆหาระก่อนๆนั่นเองอย่างคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะฉะนั้นภิกษุพึงเป็นผู้รักษาจิตครอบงำทีนะมิทะมีความดำริชอบเป็นโคโจรกระทำสั ม, มาทิิไว้เป็นเบื้องหน้ารู้ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแล้วละพึงละทุขติทั้งปวง คำว่ารักษาจิตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพึงเป็นผู้รักษาจิตพระพุทธเจ้าตรัสคํานี้เพื่อให้รู้ว่านี้เป็นเหตุใกล้ของสุจริตสเพราะใครที่รักษาจิตรักษาด้วยอะไรด้วยสติและสัมปชัญญะผู้ที่มีสติสัมปชัญญะดีสุจริตสก็จะดีเพันคนที่รักษาจิตรักษาด้วยสติสติสัมปชัญญะเป็นเหตุใกล้ของกายะสุจริตวจีสุจริตและ มโนสุจริตเพราะเมื่อรักษาจิตแล้วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นอันรักษาแล้วขอให้รักษาจิตเถอถ้ารักษาจิตให้จิตเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ได้กายก็เป็นกุศลวจีก็เป็นกุศลมโนก็เป็นกุศลเพราะขอให้รักษาจิตนั้นการรักษาจิตเป็นเหตุใกล้ของสุจริตสาใครที่ประสงค์ความบริสุทธิพ์พึงรักษาจิตให้ปลดจากบาปคาว่าสัมมาทิฏฐิปุเรขาโร เป็นผู้กระทําสัมมาทิฏฐิไว้เป็นเบื้องหน้าเมื่อสัมมาทิฏฐิอันบุคคลเจริญแล้วอริยมรรคมีองค์8ก็ชื่อว่าเป็นอันเจริญแล้วถ้าบอกว่าขอให้เจริญปัญญาเจริญสัมมาทิฏฐิความรู้ความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องทัศนคติที่ถูกต้องเมื่อเจริญสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วเนี่ยนะมรรคแก็เป็นอันเจริญแล้วเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่เจริญสัมมาทิฏฐิก็ย่อมสามารถที่จะเจริญ สัมมาสังกัปปะเพราะสัมมาสังกัปปะเกิดจากสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาก็เกิดจากสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะก็เกิดจากสัมมาวาจาสัมมากัมอาชีวะสัมมาอาชีวะเกิดจากสัมมากัมมันตะสัมมาวายามะเกิดจากสัมมาสติสัมมาวิมุตติเกิดจากสัมมาสมาธิสัมมาวิมุตติญาณทัศนะเกิดจากสัมมาวิมุตต ก็ดูว่าถ้ามีสัมมาทิฐิทําความรู้ความเห็นความเข้าใจให้ถูกต้องทําความรู้ความเห็นให้เข้าใจในทุกสมุทัยนโรธมรรคทาความรู้ความเห็นให้เข้าใจในอดีตอนาคตทั้งอดีตและอนาคตปฏิจจสมุปบาทเกลวะยถาภูตยานทัศนปฏิบัติรู้ความเกิดและความดับจนรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจใครที่มีความเข้าใจได้ถูกต้องอย่างนี้สัมมาสังกัปปะก็เจริญ คนที่มีสัมมาสังกัปปะดีเขาย่อมมีสัมมาวาจานะสัมมาวาจาก็ดีผู้ที่มีสัมมาวาจาดีสัมมากรรมตะการกระทำก็ดีใครที่มีสัมมาสังกัปปะดะีสัมมากรรมตะการกระทาที่ดีอาชีพก็บริสุทธิ์ผู้ที่มีอาชีพบริสุทธิ์ความเพียรก็ย่อมมีผลความเพียรก็ย่อมมีผลผู้ ท, ayo, ที่มีความเพียรทำด้วยความไม่เลอะเลือนเรียกว่าทำด้วยสติ ผู้ที่ทําด้วยสติจิตย่อมตั้งมั่นเพราะวายามะสติเป็นเครื่องเกื้อกูลทําให้จิตตั้งมั่นเรียกว่าสมาธิผู้ที่มีสมาธิตั้งมั่นก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงก็สัมมาวิมุตติการตรัสรู้ก็เกิดขึ้นผู้ที่มีสัมมาวิมุตติการตรัสรู้การหลุดพ้นได้สัมมาวิมุตติญาณทัศนะ การปัจเจกมรรคปัจเจกผลปัจเจกกิเลส ท, ที่ละแล้วปัจเจกกิเลส ท, ที่เหลืออยู่ปัจเจกพระนิพพานก็ย่อมมีได้พันวิมุตติยานัทธสนา this is the person w ม o has no karmic roots left and he c a ที่สุดแห h e most. For example, the b ม d d h a the ธเ d d า a So, the มุต u t t i y a n a n a t h a s a n a น s a n i r v a า a p a t ่ t h a ม has อันนี้ก็แสดงว่าหมายถึงสอุปาที่เสสะกับอนุปาที่เสสะบรนท่าปฏิบัติจนถึงปัจเจกขณะยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จักแทงตลอดสอุปาที่เสสะและอนุปาที่เสสะนิพพานธาตุนัก็อันนี้ก็เป็นใจความโดยสรุปของหาระสัมปาตะทั้ง16หาระสัมปาตะนั่นเอง หาระแรกทวนอีกครั้งหนึ่งนะเทสนาระหาระที่สองวิจยาหาระหาระที่สยุติหาระหาระที่สป่ปทฐานะหาระลักษณะหาระที่ห้าที่6ก็จะตุพยุหะที่เจอาวตต์ที่8วิภัติที่9ปริวัตนาที่10เววัชนะ11บัญญัติ12โอตรนะหาระสิบา โสธนะหาระ14อธิฐานะหาระ15ปริขาระหาระ16สมารโรปนะหาระพระสูตทุกพระสูตรสามารถยังลงนะเอาหลักหาระ16ไปวิจัยได้หมดเลยนะทุกพระสูตรนะผู้ที่ศึกษาความรู้นะศึกษาจนมีความรู้ในลักษะมีความรู้หาระ หาระคือวิธีกำจัดความหลงความสงสัยความเข้าใจนะ่เข้าใจผิดในพระพุทธพจน์ถ้ารู้วิธีกำจัดความหลงความสงสัยความเข้าใจผิดในพระพุทธพจน์ทั้งสิบหกวิธีด้วยกันเนี่ยนะก็จะทําให้ความรู้ความเห็นของเราเนี่ยตรงตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น